ดให้ดูแล้วพูดให้ทำนั่นเองกับพู้ให้ฟังนั่งอย่างฟังไปเรื่อยๆพู้ให้ฟังก็ฟังไปเรื่อยๆเรื่องราวพูดเรื่องราวแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแต่นี่จะพูดให้ดูพูดให้ทํำน่นะเออเอาเดี๋ยวเนี้นะ่ะนั่งสบายไปนะ่ะเออขยับเนื้อขยับตัวขยับแข้งขยับขาเป็นไงปวดเมื่อยไหมครับปวดเมื่อยไหมน้าขยักขยับแข้งขยับขามันหาปวดหายเมื่อยนี่หล่ะบุญล่ะนะ่ะ แล้วก็มีความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์นี่นแหละเรียกเรามาทําบุญนี่แหละเนี่ยต้องรู้จักบุญอันนี้นะส่วนมากเรามองข้ามนะนะเนี่ยหลวงพ่อเทนนั่นหรอเนี่ก่อนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบุญแล้วจะทําบุญจะไปได้บุญนานจะไม่ได้บุญทําไหมนะแล้วเราก็จะเอาบุญอต่นี้เราไม่รู้จักนั่นนี่เราไปทําบุญให้ทานนาะถวายเท่าของแก่พระภิกษุษพระสงฆ์ แล้วเราก็มีความสุขหน้าหนักอันเดียวกันใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราถึงไม่ได้ทําอะไรเราวันวันห ย, ยู่กับงานับงนานอยู่อะไรก็ได้ใช่ไหมเออเนี่ยจเจริญสติไปด้วยก็ได้ใช่ไหมต่างจากเออแล้วก็เดานะเออลองทําดูนะดีมากเลยเนี่ยทําไปแล้วก็ฟังไปด้วยจะเห็นชัดเนี่ยนะเนี่ยเราเคลื่อนไปทีหนึ่งทีเนี่ยเราไม่ต้องมีความรู้สึก่เราต้องมาทําอย่างนี้นะ่ะมันจะเป็นภาระมันจะหนัก รู้สึกว่าต้องทําอะไรมันจะหนักแหละนะแล้วตอนนี้ให้มันเฉยเฉอใหเคลื่อนไปเฉยเฉยเดี๋ยวโอเคแต่ไงเบามือเบาแขนดีไหมเอนะบาเนื้อเบาตัวดีได้นะ <c oughs> นะไม่ต้องทําให้เรารู้จักอ่ะถ้าไปทํามันจะหนักเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้ไว้ถ้าทําแล้วมันจะเครียดถ้าเราไปทําเนี่ยเราไปสร้างทุกข์กี่ร่างเรอง นี่ไม่ต้องทําอะไรความรู้สึกแล้วก็พักอยู <c oughs> um ่อ <to> ยู่อยู่เนี่ยความรู้สึกอยู่เฉยเฉยนะถึงเราจะไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ดูเฉยเฉยแล้วก็รู้ว่ารู้กายรู้ใจอะไรเป็นไปด้วยสบายแต่นี่เคลื่อนไหวก็เพื่อกระตุ้นใหยาวท่ารู้ว่ันเตือนตัวให้มารู้กายรู้ใจนั่นเองนี่อาศัยความเคลื่อนไหวนะมาด้านธรรมดาคนเราเนี่ยปกติเนี่ยจะเคยชินอยู่กับการไม่รู้กายรู้ใจ มันจะไปรู้เรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องอะไรอะไรเรื่องของคนอื่นบ้างเรื่องของตัวเองบ้างเรื่องทํามาหากินเรื่องอะไรสารพัดเลยหมดนะนะเยอะแยะง่ายแต่ว่าไม่รู้กายรู้ใจเออแต่ตอนนี้เราก็ยังอ่าเราก็ยังรู้กายรู้ใจแม้แต่เราจะคิดนึกอะไรอะไรไปให้เรารู้กายรู้ใจตามมันก็ยิ่มันก็ชัดเราอย่าเลยรู้จักเกี่ยวกับความเปล่รู้สึกของเรานะ อย่าให้เกิดมุดหงิดลาคาญนั่นเองนั่นธรรมดาจิตใจเราจะไม่สบายเต้นใจให้มันสบายถึงเราจะคิดนึกอะไรเราก็รู้ว่าสบายถึงร่างกายมันไม่สบายจิตใจไม่สบายเราดูเฉยเฉยก็สัตว์เราก็ริวัมันไม่สบายก็รู้ไม่สบายเราก็อยู่แล้วก็อยู่กับมันให้มันสบายเราไม่ต้องมุดหงิดเราไม่ต้องลำบากกายลำบากใจเราไม่ต้องเราไม่ต้องเราไม่ต้องทุกข์นะเราไม่ต้องมุดหงิด ไม่หงุดหงิไม่ลำทารไม่วิตกกังวลอย่างเนี้ยมันก็ไม่มีทุกข์นะอามาณนี่ก็บอกให้ะลังทีก็ดูตัวเองเนี่ยบางครั้งมันไม่สบายแเราก็ดูเฉยมันก็สัตว์ก็ว่ามันจะเจ็บมันจะปวดโอ้ลังทีมันปวดแคลงปวดขางมันปวดจะบอกเขาเองมันปวดลาวนะอล้วก็บีบแล้วก็นวดแก้ไขแล้วก็ดูเฉยๆแล้วก็เห็นความเจ็บความเห็นมันเจ็บเห็นมันปวด ถ้าเราไม่ดูนะ่ะเป็นเราเป็นเรารู้สึกเป็นเราเจ็บเป็นเราปวดอย่างนี้มันปวดมากมากเลยอะสังเกตดีๆนะฮะ <c oughs> เ, เ, เนี่ยพระเจ้าเป็นบอกให้ละตัวตนให้ละอัตตาตัวตนนั่นเองเนี่ยให้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเอา่มันจักเราความรู้สึกอ่รู้สึกปวดรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกสบายไหมสบายรู้สึกสงบไม่สงบมันก็เป็นภาวะธรรมเท่านั้นเองนะ มันเป็นภาวะธรรมน่ะเรียกเป็นภาวะธรรมหรือเรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอเราลงดูทีจริงมันก็เป็นอย่อย่างนั้นใช่ไหมเราจะเอาไม่เอาก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปคุกับมันทําไมอ็ให้เห็นความจริงอย่างเนี้ยเนี่ยเรียกให้มีปัญญาให้มีปัญญาหรือให้เกิดมีปัญญารู้อย่างนี้นั่นเรียกว่าวิปัสสนานะเนี่ยเรียกววิปัสสนาปัญญาแปลว่าปัญญาวิเศษสามารถรู้อย่างนี้ โสดหน้าไม่เคยรู้อย่างนี้หรอกนะอ่าม่ก้ายืนย่างเลยเออถ้าคนเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ระดับตับฟังถึงอย่างได้ศึกษารดับตักฟังแต่ไม่รู้กายรู้ใจก็ยังทุกข์อยู่ก็ยังไม่รู้อยู่แล้วล่ะไม่รู้จักเออควหมายถึงว่ารเรารู้จักนี่เองให้รู้จักธรรมชาติรู้จักธรรมะแล้วเรียนธรรมะก็มาเรียนที่กายที่ใจของเรานี่เองนะเรียนรู้ที่กายที่ใจอ่ะอ่าเนี่ยขยับขยับเนีย่ยขยับตัวเป็นไงสบายไหมสบาย นะแต่ถ้าไม่รู้จริงๆเราก็ขยับอยู่แล้วนะเวลามาันปวดเงื่อมันจะขยับเองแต่เราไม่รู้นี่เราก็เกรืยองของร่วมเลยความสุขเราไม่รู้ดิพอขยับกายแก้ไขทีแล้วก็สบายขึ้นทีเนี่ยความสุขอันนี้เราร่วงเลยไปนะรู้ก็ไม่รู้มันต่างกันอย่างนี้นะนะสรงไหนขอมาไม่รู้ตอนตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติทาไม่รู้เดี๋ยวนี้มันเห็นไปทุกวัที่เราปวดมันไม่อยากจะ นั่งจะนอนจะพลิกตัวจะขยับเนื้อขยับตัวมันเห็นความสบายอ่ะว่าก่อแล้วขยับก็ขยับไปแต่เราไม่ดูเราไม่รู้อ่ะแต่ที่ขยับแล้วมันต้องสบายขึ้นมันต้องดีขึ้นแต่ขณะที่ดีที่สบายนะั่นเราไม่รู้อ่ะเราก็ล่วงเลยความสุขนั่นเองเนี่ยง่ายง่ายง่ายไหมยากี่ยแล้วสวนมากไปทําให้มันยากยากอ่ะแค่นะก็ไปมุ่ง ย, ย้ายมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยแบบสร้างทุกข์นะ เออแล้วก็หนักอกหนักใจเครียดไปต่างๆกันเนี่ยนักปันิธรรมอย่างดีนะเครียดนะหาความสุขไม่ได้นะแต่นี่เท้าารู้ตัวตื่นตื้นตื่ตัวดีเดี๋ยวมันจะเข้าใจอะไรๆนี่เขาเรียกว่าเป็นสศีะจิตใจเราก็ปกติขึ้นนั่นจิตใจเราปกตินั่นเลยมันมีสศีลถ้าจิตใจเราปกติแล้วดูอะไรจิตใจเราดีนั่นเองปกติมันกลมกลืนนะอะมันไม่มีอะไรจิตใจแล้วไม่ดิ้นรน ไม่ร้อนรนไม่ดิ้นรนอย่างนี้มันจะเห็นอะไรตามคาเป็นจริงมันจะเห็นอะไรอะไรโอ้ยอย่างนี้เองอะไรแล้วก็อย่างนั้นมันก็สักแล้วว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเราจะไปเครียดกับมันทำไมเราจะไปหงุดหงิดรำคาญกับมันเราจะไปโกรธจะเปอะไรนั่นทําไมนะฮะเหมือนเราเห็นคนบ้าคนเมาเนี่ยนะฮะเราเห็นอ้าวคนบ้าก็ต้องเป็นอย่างเนี้คนบ้ามันจะจะแบบก็ไม่รู้ตัวอะมันก็เป็นไปตามเรื่องตามราวอ่ะนะฮะคนเมาเหมือนทำมันเป็นเหมือนคล้ายๆกันะ ใะ่เมาเข้าไปก็ไม่รู้ว่าอะไรอะไรพูดอะไรอะไรเขาใช่ไหมเออหรทําอะไรตาอะไรก็ทําไปตามเรื่องตามราวของคนเมาอ่ะก็มันเมาอ่ะก็ไม่รู้ตัวนะถ้าเราเห็นตรงนี้เราต้องไปปีนะไม่ไปไม่ไปไปไปอะไรอะคนบ้าคนเมาถ้าเราอยอยู่คนบ้าคนเมาก็ได้อยู่ตะไรก็ได้เราจะไม่หงุดหงิดรําคาญเราจะไม่รังเกียจอืม เนี่ยชีวิตถึงจะมีค่ามีค่ามีราคาเนะเราจะทําการทํางานเราก็ทํางานทํางานเรื่องงานทําให้มันสนุกทําให้มันสบายนี่เนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยใช่ไหมทงานเราจะเคลื่อนไหวก็สบายนะกดดินงฟังย่าหรืออะไรก็แล้วแต่จ้หยิบจะวางหรืออะไรก็สบายมือสบายแขนไม่หมดเบามือเบาแขนเบาเนื้อเบาตัวพอยคอเห็นกายเห็นใจว่าาไม่ไม่อันไม่กั้นนั่นเองมือเบากายทั้ แม่งไเดี๋ยวนี้เขารู้ตัวนิดอึ่งเี้นะบาไหมสบายนะเนี่ยอย่าลืมมัน <c oughs> นี่เออนี่แหละผลของการปฏิบัติให้รู้อย่างนี้รู้จักอย่างนี้อ่แล้วเราดูไปเรื่อยแล้วอยากอะไรใช่นะแล้วเราจะเข้าใจคําสอนเนี่โอ้โที่สอนสอนเราจะเข้าใจหมดเลยน ะ, ะแต่บางทีสวยมากก็ยังไม่เข้าใจเน้นนีตรงนี้ก่ะให้รู้กายรู้ใจอให้เห็นเป็นอะไรตอจะไปไปเนี่ยอย่างเนี้ยมันก็คิดถึงไป เดี่ยให้ลู้กายแล้วเราก็ปรับกายปรับใจให้มันดีลูกกายปรับกายลู้ใจปรับใจอ่าเดี๋ยวนี้รู้ได้ปกติเอานั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงนั่งนานๆเหนื่อยไม่ต้ออแก้ไขแล้วก็สบายแล้วอางอนานๆมันเมื่อยเราก็ยืดออกใช่ไหมอ่าเราก็ดูดในปวดเมื่อในเกรงนะสบายเนื้อสบายตัวไปหมดสบายแข้งสบายขาให้นไหมปวดเมื่อยขยับแข้งขยับขากระนิดก็สบายแล้วเนี่ยปฏิบัติทาง นะเอาไปสุดช้าเลยเนี่ยเอฮปติโกเรียกร้องให้มาดูกนันได้เนี่ยรู้อย่างนี้ <c oughs> แล้วรู้อย่างนี้นะ่ะแล้วเราจะเข้าใจอรอะไรไปหมดเลยนะมันจะเข้าใจคําสอนวิจเจ้าจะรู้จากบุญรู้จักบาสนะจะเห็นสวรรค์เห็นนรกรู้นะเนี่ยตายไปยังไม่ตกนรกจริงๆ <c oughs> หรือเราตายไปแล้วจะไปไหนจะไปสวรรค์หรือ จ, จะไปนิพพานอย่าที่จริงนิพพานไม่ต้องไปไม่ต้องมาหรอก เนี use, образ, right? ่ยเราอยู่เดี๋ยวนี้จิตใจเราหยุดดูพักอยู่กาเปนิพพานใช่ไหมันหยุดอยู่ตาดูอะไรตั้ใจไม่หยุดอยูไม่มีไม่มีวิตกวิจารวิภาวิจารอะไรอะไรอ่าไม่มีความคิดความเห็นอะไรรู้กายรู้ใจใจก็ปกติเนี่ยเรียกว่าศีลเรามีศีลแล้วเราก็อยู่กับศีลนั่นอ่าอยู่กับศีลอ่าอยู่กับสมาธิอ่าสมาธิแต่จิตใจเราก็อยู่เฉยเฉยก็เรียกจิตเป็นหนึ่ง เจนนึ่งอยู่เฉๆรู้ตัวอยู่รู้นะอ่ามไม่บอกแบกไม่นะไม่ซัดใส่น่ะเอ้ปัญญาปัญญาก็รู้ได้อย่าน้โอ้นี่จิตใจเราก็ปกติอยู่ไม่เียบไงเฉยเฉยปกติกลมเกยกันดีน่ะอ่าเราก็รู้ได้รู้กายรู้ใจของเราอย่างนนั่นเรเรียกว่ามีปัญญาแล้ว เนี่ยบางคนปฏิบัติทังทีเนี่ยห้าปีสิบปีสิบปียี่สิบปีโอ้บอกไม่เกิดปัญญาก็ไม่รู้อย่างเนี้ยก็รู้อย่างนี้แค่นี้เองอ่ะเนี่ยปัญญารู้อย่างนี้นะอย่ารู้แล้วรู้จากฝอยรู้จักว่างอย่างต่อเนื่องนะรู้จากคลายรู้จักพรายนะไม่เก่งเนื้อเก่งตัวไม่อ่านไม่กั้นอือนะเท่าเนี้ที่จ่จยมันจะเบาเลมันจะเป่าโบงเป่าแล้วมันจะไม่ยึดมันจะไม่ยึดมันไม่ติด บางทีเขาสอนบอกอย่าไปยึดถืออย่าไปติดอย่าไปยึดแล้วเรารู้ที่ไหนมันติดมันยึดพอมารู้เราจึงเห็นโอมันไม่ยึดอย่างนี้ความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกมันปล่อยมันวางความรู้สึกมันไม่ติดนะเห็นความรู้สูงเรามันไม่ติดมันไม่ยึดนะมันปล่อยมันวางนะมันไม่ไปหมกมุ่นไม่ไปเกาะเกี่ยวกับอะไรนะนี่ไม่ไปผูกพันกับอะไรเนี่ยเนี่เรียกว่าอิสระนั้นเอยเราก็เข้าถึงความเป็นอิสระนั่นเองใช่ไหม แล้วมันจะไปทุกข์ที่ไหนอะนะมันก็จะไม่มีทุกข์นั่นเองนะขอให้รู้อย่างนี้ต่อนเนื่องนี่ ON, นเราต้องดูไว้ต่อเนื่องต่อเนื่องนะถ้าเรามาดูนิดเดียวแก๊บเดียวนี้เดี๋ย ว, เ, ยวเราไม่รู้เอาไม่รู้กมันก็เป็นเหมือนอย่างเก่าอีกแล้วนถ้าเรารู้อยู่ต่อนเนื่องหายใจเข้าหายใจออกตาดูหูฟังเราก็รู้กายรู้ใจอะไม่มีอะไรมากอันนี้ครับว่ารู้รู้รู้นามนั่นเองนะนั้นที่จะดับทุกข์ได้ก็ต้องรู้รู้รู้นามถ้าไม่รู้รู้รู้นาม ก็จะดับทุกไม่ได้นะเอไปฟังโดยครูบาอาจารย์เนงบอกให้รู้รุ้นลุ้นน้ก็รู้กายรู้ใจนั่นอย่าพูดแค่นั้นแต่ไม่ได้บอกให้แก้ไขอ่ะนะเนี่ยมามารู้อย่างเนี้ตอออันนี้รู้แก้ไขโอ้โหอยู่ตรงนี้เองนะนะแล้วเนี่ยถึงจะพัฒนาได้อยูงไหมถึงจะแก้ไขได้พัฒนาได้ชีวิตก็จะดีขึ้นดีขึ้นก็เรียกว่ามีสติถ้าคนเรามีสติชีวิตจะดีขึ้นทุกวัน มีสติทุกวันชีวิตจดีขึ้นทุกวันอ <c oughs> ไม่มีทางเสริมเลยมีอจะ ด, ดีขึ้นอจะอยู่จะตายแล้วก็มีความสุขสงบเดี๋ยวนี้เห็นความสงบหรือนี้เป็นอะไรจะเห็นความเป็นตายโอ้ก็อย่างนั้นอย่างนั้ น, นแล้วก็เฉยเฉยแล้วอดได้ทนได้นแล้วก็ไม่หงุดหงิดแล้วไม่ลำพางาแล้วไม่เสียความรู้สึกไม่เสียกําลังใจน่ะอันมาเนี่ยถึงวันเนี่ยที่เป็นมะเร็งเนี่ย นะอดกูดเรื่องนี้ไม่ได้ถึงหมอเนี่ยมาเห็นที่ตรงนี้ถึงเขาเข้าใจโอ้ก่อนเราไม่เคยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งนี่ร้ายแรงนะแล้วส่วนมากเนี่ยโอ้ตายส่วนมากนะถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งนี่เราโอ้เสร็จแล้วรักษาไม่หายเขายังไม่มียารักษานะนะมันยังไม่มียารักษาหรอกมันมีแค่ค่าไปยับย่างนั้นถ้าเรามารู้อย่า ง, างนี้เดีย๋ยวนี่ยามารู้สึกว่าหายนะไม่มีหรอกนะเออ มาลงมาเลงแล้วถือล่ะเฉยๆได้แต่ตอนเป็นตอนนั้นมันจะออนล้าไปหมดเดี๋ยวนี้มันไม่เคยอ่อนล้าแล้วอืมแต่ก็เป็นอาจจะอายุมากก็อาจจะร่างกายก็ไม่เคยแข็งแรงเท่าไหร่ น, นอะอายุเจ็ดสิบแปดแล้วอ่าอ่าและส่วนมากอายุขนาดนี้มันแย่ๆทั้งนั้นนะะขนาดห้าหกสิบม่ถือไม่เท้าแล้วเห็นผ้าเนี่ยถือไม่เท้าแล้วยันแล้วกัน มาไม่ถ <resil> ือหรอกนะบางทีก็มีคนเขาถวายไม้เท้ามาตรงหลายปีแล้วก็ยังอยู่เหรอมีคนถวายมาสองอันเหมือนกันนะนี่ไอ้พาดนี่ทามาถวายอันเลยเราวางอยู่ที่ไหนอยู่ในที่ไหนรู้มาเก็บแล้วนะแล้วยังมียศอีกคนบางีอย่างดีเลยนะเป็นเขาด้วยนะนะไอ้แกอยู่ดีกว่าโอ้ไมจะมาถือโอ้ มันไม่เข่าท่านะบุคลิกไอ้ต้องถือไม้ท้าอย่างนี้มันไม่เขาา่าท่าไม่เอาด้วยใช่ไหมเออแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆสีประชัยเหมือนกันนะแต่นี้ยังไม่จําเป็นนี่นะมันมีสติมันคับประคองได้เรื่องอะไรไปใช้มันต้องมาถือไม้เท้าหรือเป่าเก็บไม้เท้าแล้วมันเกะ ก, ก่าวเป็นภาระนะเป็นภาระใช่ไหมหเราพยายามช่วยตัวเองพยายามไปยุ่ตัวเองใช่ไหมอ่า เราลึกเึงเว่าบางทีบางครั้งทางท่ามเดียดตายเดตายล้วก็ดูเออตายก็ตายอย่างมีความสุขนะไม่อดียดตายแบบมีความทุกข์นี่ขาดทุนน่ะน่าแะบาปหนักเลยนะเนอไม่รู้ตัวอย่างนี้น่ะบาปหนักเลหละตนรกเราตายไปเป็นตกนรกก็ขนาดที่ตายยังไม่สบายใจอ่ไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายดิน้นโลนวุ่น ว, นวาย น, น่ะออกมาตกไปนรกแง่ๆเลยนะร้อยทางร้อยอ่ะ เนี่ยถ้ารู้อย่างนี้มันวก็รู้เฉยๆมันเจ็บมันปวดก็ทนนะทนได้บอกตัวเองได้ทนได้เนะดูมันเฉยๆอันนี้เราดูดังเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเวลาตายนึกถึงถ้ามันจะตายขึ้นมาแล้เราต้องนอนยังไงทําังไงดเฉยๆนะตอนนี้มันจะมีอะไรสุขทุกข์เราดูเฉยๆนี่แหละนะเจ้าสอนอย่างนี้นะเคยถามมาโนาันวันเราลึกถึงความตาย สี่ครังอานนท์บอกวันสองครั้งสามครั้งโอ้ไม่พอต้องทุกข์ลงในหใจเข้าออกเราจะตายเมื่อไหร่นะออก็ต้องตายขณะที่หายใจเข้าออกนั่นแหละจริงนะใช่ไหมนะหายใจเข้ามันจะตายหายใจออกตายเราก็ให้มีความสงบเฉยเฉยเฉยได้นะทนได้เฉยได้เฉยเฉยไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์ก็แล้วกันอันนี้ต้องรู้เองไม่ต้องพูดยังไงว่าไอ้คำว่าไม่ทุกข์ จะระคายทุกข์เห็นไหมมันไม่สบายไยหมดเลยนะแต่นี่เห็นฟางไม่สบายอย่างเรายังมีฟางสบายเราก็ยังอยู่กับฟางสบายนี่แหละบุญเขาเรียกว่าทําบุญนี่มากๆนะนั่นนี่แหละบุญนี่แหละที่เราติดเมื่อติดตัวเราไปนั่นการเราทำเราชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยทําดีทําชั่วเนี่ยนะนั่นแหละเป็นสิ่งที่มันจะติดตามเราต่อไปงานตามโตมแล้วนะ ถ้าเรารู้เราก็รู้จักปล่อยสิ่งนี้ได้เราก็มีแต่บุญอย่างเดียวนะไอบาปกรรมเราก็ไม่ต้องเอาอ่ะเนี่ยเราก็อยู่เหนือเวนเหนือกรรมได้ได้นะนะเอถ้าเลยไปคิดถึงอะไรอะไรเนี่ยถึงก่อนเราเคยทําสิ่งที่ไม่ดีเราไม่หย่าไปคิดถึงมันให้อยู่กับความสบายก็เ้วก็ดูเฉยๆถึงจะมีเห็นการกระทํามัน่ใชคิดนึกเราก็ดูมันเฉยๆเดี๋วนี้เราสบายมีความสุขแล้วมีความสงบแล้วกันอย่างนี้ไม่ตกนรกแน่นอนเลยนะ เนี่ยให้รู้ตัวเนี่ยสําคัญนะมนะโยมเออเราไปพิจารณาบ่อยๆนะอืมแตมาก็ใกล้าตายแล้วนะคงอยู่ไม่นานไม่กันเดือดรัวเออแต่หจะอยู่นานก็ไม่รู้อ่แต่ว่าเจ็ดสิบแปดแล้วคงไม่นานนะพออน 69, นะอ่อมาแค่กสิบเก้าเองนะเออแม่มาแค่เจ็ดสิบหกตายหมดแล้วตานมาแค่ห้าสิบนเองตายนะนะยายก็หกสิบนะ นี่ยมาก็ยังมียังอยู่ได้นะแต่ที่อยู่ได้นี่ก็เป็นประโยชน์นี่ใจบอกบอกกันอย่างนี้นะเออนี่อันนี้เราเป็นประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านนี่นถึงว่าเอออันนี้มาได้ประโยชน์ตรงนี้เลยมันก็ได้ชีวิตมันก็เลยเอออ่ะยังอยู่ได้ยังทนได้ต่อป่ะอย่างนั้นไม่เอานี่ยไม่มีอย่างนี้นคิดว่าอามาคิดว่ากําหนดตัวเองได้นะตายเลยไม่อยู่แล้ว มาจริงๆสามารถมาจะกำหนดตัวเองได้เลยนะเอะอเออจะตายอ่ะต้องการตายตายเลยแต่ว่าไม่ใคยไปต้อไปกินยาพิษหรือต้องไปฆ่าตัวตายนะเออไม่ไม่ไปทำแบบนั่นหรอกเรากำหนดได้ชีวิตของเราใช่ถ้าสังเกตโดยเดี๋ยวนี้นะมันนี่มัดั่งไงถึงจะสบายเนี่ะเราก็รู้นั่นแหละเรียกวากำหนดให้มันเป็นไปให้มันสบายเลยหายใจไงผ่อตรงเนี่ยกำหนดอย่างนี้นะ ไม่เก่ไปเพง่งไปจ้องจะไปคมกดแม่มันไม่ใช่เนี่ยมนทุกขนะ์ไงมันจะไปตายโอ้น้าศึกษาจริงๆเลยนะเนีย่ยไปวัดสนามนานหรือไม่เอามีนสองวันนี่เองโทรสั่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเขาก็อยากเอาอยู่อายามาส่งได้เออเราจริงจริงไม่ต้องไปกินยาอย่างนั้นแนละ้วเอาเอาเอาส่งก็ส่งมากนาะนัะ่นเาไม่อยากให้ตายเข า, าอยากให้ทําประโยชน์อันนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อต่อโลกต่อสังคมนั่นเองเออเราก็จะ เชื่นใจหน่อยเออเขายังเห็นเราเรายังเป็นประโยชน์ใช่ไหมเนะ่ยอยู่ไปก็ทําให้ได้ประโยชน์อืมใครๆก็ไม่อยากให้ตายเลยอยากให้อยู่อ่ะแต่ที่จริงตัวเองก็ดูแม่อยู่ไปนี่มันลำบากนะจริงๆไม่เคยสบายหรอกบอกตรงๆไม่สบายหรอกนะเออเนี่ยแล้วมาเนีทุกข์อยู่กับทุกข์อะแต่ว่าข้อสําคัญเราไม่ไปทุกข์กับมันเท้านั้นเองนะ เนี่ยรำดัวจะมาแล้วกันใครใกรเบอกเขาผอมใเล่นทุกไม่นานถ้าทุกมันจะผอมใสอ่ะแต่ละก็เบิก์บานแจ่มายนะเออแล้วก็เฉยเฉยดูเฉยเฉยนะเออเราไปไปงุดหงิดรำคาญอะไรไม่ต้องมีความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายรู้วไม่ต้องมีว่างแบบจุดนี้นะฮะโลภโทสะโมหะก็ไม่ต้องมีมันไม่มีอยู่แล้วถ้าเรารู้ตัวมันจะไม่มีถ้าเราไม่รู้เนี่ยโลโลภโทสะโมหะมันจะเข้ามา ฮัโลพักโซสาโมหะเนี่ยมันจะเขาผานจิตใจเราใช่ไหมไอ้ความไม่ร <toss> ู <S <S ้อย่างนี้นั่นแหละมันเขาผานทําให้เราเกิดอยากไม่อยากต้องการไม่ต้องกานยิ่งดียิ่ร้ายนั่นแหละเขาแหละใช่ไหมเนี่ยยิ่งกว่าไฟน่ะเขาเห็นแม่บางครั้งที่เราไม่รู้เหม่ยมันร้อนอกร้อนใจใช่ไหมร้อนไหมน้ามันยิ่งกว่าไอ้ไฟในเตาน่ะเออมันเขาผานจิตใจอ่ะนะเออนั่นแหละไฟนรกละ แล้วไม่รู้เองนะถ้าตายไปทิ้งไปผูกขาขานอย่างนั้น น, นี่ท่านเรารู้แล้วเฮ้ยสลับมันทิ้งไปเลยรู้แล้วนะมันก็เผาก็ไม่ได้ละใครนะเ อ, ออย้อนชอยเนี่ยปฏิบัตินานๆเดีย๋ยวนี้ก็พอเข้าใจแล้ว่ะนะเออมีเข้าใจแล้วหลายคนนะเนี่ยให้รู้จักนั่นเองไม่เรียไปต้องไปทําตามใครมามาเลยบอกให้ใครต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นะ เนี่ยยังสร้างยังหวก็เพื่อให้รู้ตัวนี่ยังยังไงสบายมือสบายแขนเบามือเบาแขนดีหายใจไงปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจเราก็รู้ว่ารู้กายรู้ใจเป็นไปมันสบายกายสบายใจเบาอกเบาใจก็เท่านี้ก็เนี่ยจะไม่มีทุกข์อะไรนะทําการทํางานก็เหมือนกันนะเด็กก็เดินจงกโกมามือกอดอกไขว้ล่างเดินขับไปกลับมาเดินไงถึงจะสบายแข้งสบายขาดีเอ้มันโปวดเมื่อยก็เดินไงให้มันหายโปวดหายเมื่อย ถึงไม่เดินจงกรมเราเดินไปไหนมาไหนก็อายะบทนะยืนเดินนั่งนอนนั่นเองนะให้เรารู้ตัวเดินไงถึงเบาเนื้อเบาตัวดีเบาแข้งเบาขาดีนะสบายอกสบายใจเบาอกเบาใจเนี่ยนะหรือทําการทําไงเหมือนกันนะทําไงไม่เหนื่อยแล้นะเราก็เห็นความรู้สึกของเาเราก็พักเป็นบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นเราเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรมันจะหนักนะนั่นบางทีหนักใจ งาเราทำแบบรู้ตัวเออทำไปแบบสบายๆใจก็พักอยู่หยุดอยู่อย่างนี้มันจะไม่หนักเลยนะเนี่ยง่ายๆง่ายกี่านี้ามาก่าอจะรู้นี่ที่บอกนี่นะสิบ ป, ปีนะนะที่จะรู้นี่สิบ ป, ปีมาบอกนี่ง่ายง่ายเนี่ยถ้าเขาใจได้เนี่ยให้รู้จักอย่างนี้ได้เลยอ่ะแต่ว่าฝึกให้เคยชินนี่ต้องใช้เวลางั้นฝึกจนว่ารู้ทักลมหายใจเข้าหายใจออกขระยำเนี่ยขยับตัว รู้กายรู้ใจลงจนเราไม่ลืมกายลืมใจนี่ใช้เวลาเป็นปีๆมาจําได้หกเจ็ดปีนะเจด็ดปีเออหกเจ็ดนะ ป, <c oughs> ปีแต่ต้องกวาดเองนะออแต่มาถึงหกเจ็ดปีนี่เรารู้สึกโอามีสติเยอะแล้วรวยนะรู้สึกว่าโอ้ยเห็นตานรู้สึกว่ามีมีรู้นูรู้นู่เห็นอะไรเห็นสตินะตอนนี้บางทีบางครั้งมันเห็นบั่งไม่เห็นมั่งเนี่ยนะแต่นี้เราเห็นเยอะเอย เนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาคูนีงมันรู้ตัวรู้กายรู้ใจตลอดเวลานะแล้วไม่มีอะไรใจเราเฉยๆมองว่าเฉยๆไม่มีอะไรปกติอ่านี่แหละจิตที่สงบนะนั่นแหละให้ความสุขหรือเป็นความสุขที่สุดในโลกนะเนี่ยนัตติสันติบาลามสุขขังสุขอื่นยิ่งสุขเอื่นสุขเอื่ยนยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงที่เรารู้เนี่ยโล้ตัวนั่นแหะมีความสงบ อความสงบในโลกนี่ไม่มีนอกจากอนี่แหละมีความสุขที่สุดให้ความสุขอยู่ตลอดเวลาเลยนะจิตใจของแผ่วจิตใจสาสว่างสงบเนี่ยตลอดเวลาเลยโย่เดี๋ <c oughs> ยวไปหาที่ไหนเนี่ยทำมาพุทธะพุทธะเนี่ยนะภาวะของพุธธทธะก็คือสะอาสว่างสงบหรือรู้ตื่นเ บ, บิกบานอยู่นี่แหละเข้าถึงพุทธศาสนาะ หรือเร า, า, ารู้จักพุทธศาสนาน่ะหรือนั่นน่ะถึงเรียกว่ายึดถือพระพุทธพระธรรมพมรนะพพงนนงงนนสงฆนะ์เป็นสารณะเนี่ยพูดพุทธทานสร้ังกฐามีธรรมังสร้ังกฐามีสังฆังสร้างกฐามีเนี่ยว่าถึงสองสามครั้งพอไม่รู้เตือนก็นี่นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่จะเป็นสารณะของเราแต่ก็หมายตรงเนี่ยที่รู้ตัวรู้กายกาธธรู้ใจนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ที่โจวเรานี่หมดเลยอ่ะนะ นะ่ะไอ้นั้น พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในภายนอกนั่นอย่างนี่หมายถึงว่ามันมีอยู่ในทุกๆคนอันนี้มาถึงสอาดสอ า, ส, าสวาสงบเหรือรู้เตื่นเบิกบานเนี่ยรู้อยู่เตื่นอยู่ใจมันเตือนอยู่มันก็ไม่ไปจมอยู่อะไรไม่ไปหมกมุ่นอย่างไรแล้วก็รู้อะไรเป็นน้อยนะเนี่ยชีวิตจะมีมีค่ามีราคานะ อ่ะเอาละคงสมควรแกเวลาเออเดี๋ยวตอนบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งนะเออเดี๋ยวก็มาลงปฏิบัติร่วมมาอีกทคนที่มาอยู่บ้านเหลือยังเอเหรือไม่เอาก็อยู่บ้านก็เออบ่ายบายก็อยู่ปฏิบัติร่วกมันหน่อยก็ได้นะคนแจกบางทีเอเดี๋ยวบางทีเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งเออเดี๋ยวทานเสร็จอะไรเสร็จก็เออไปเงียบชนิดก็ได้นะเออเออทำไม่เงียบไม่ง่วงก็ไม่ต้องเนเดี๋ยวมาเออทําไปเลยก็ได้นะ ไม่ต้องรอถึงมาบ่ายโมงึ่งเนีเดินจ ง, ง, ง, ง, จงกรนมะหมั่สร้างจังหวะนากนะเออแต่ที่วัดเนี่ยทำมาทั้งวันทั้งปีอ่ะจริงจรไม่มีวันออกพรรษาเข้าพรรษาเหมือนกันเข้าพรรษาก็ทําอย่างนี้น ะ, <c oughs> ะแต่อยอมแนะนำเงินพาทํามาอย่างนี้เตือนเน้อตือนตัวพยายามทำนะแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริง